ถ้ามองพื้นออกษัตะระิยนั่งอยู่ในวงล้อมนั่นเองทหารรูปร่างกำยำสามสี่คนควบคุมอย่างใกล้ชิดท่านขังไายการที่เราเรียกท่านไปตรงวันนี้ก็เพื่อแสดงอะไรบางอย่างให้ท่านได้ชมเราทราบดีว่ากองโจรที่ลบซ่อนอยู่ในป่าส่วนมากไปจากหมู่บ้านนี้และจะรับการอุปถัมภ์ด้วยสเสบียงอาหารจากที่ี่ ผู้จะเป็นหัวหน้าโจมกลุ่มนี้ก็คือนันทนะบุทของพ่อเท่ากัสปะนี่เองเราจะสอนให้พวกโจมรู้ว่าทุกครั้งที่เขายกพวกเข้าโจมตีเราเราจะลงโทษพ่อเท่ากัสปะอย่างหนักเพื่อเป็นการตอบแทนจานเทียนกัสปะอ๋อไม่ตายแล้วจะเทียนกัสปะเทียนกัสปะโอ้โหเทียนไปจนกว่าจะทำให้หยุดโอ้โห ก็จงให้คนของท่านเลิกเป็นโจรซะให้ยอมมอบตัวแกกองทหารหลวงซะแต่โดยดีไม่อย่างนั้นพอเท่าจะเจ็บตัวทหารไ้เอาไปคนหนท่งทหารหัดแส่หนังลงบนหลังของกัศปะอย่างไม่นับ กตริย์บิดตัวเล่าๆได้ความเจ็บปวดแสนสาหัสแต่ไม่พูดและร้องแสดงความเจ็บปวดหรือวิงวอนขอความกรุณาจากทหารเลยเอาาเาไปลงไปแล้วเราทนต่อไปไม่ได้แล้วใช่ยั่วยั่วยัว่ายั่ว่วย่วยัั่วยั่ั่่ย่ย่ย่ัย อไอ้โมเทียมไอ้โมเียมให้พอเทากระตอมาให้ฟื้นขอให้ทุกคนรู้ไว้ซะด้วยว่านี่คือโทษของการโจมตีของทหารหลวงจะรู้บ้างถ้านั้นทีิยะขืนโจมตีเราอีกพ่อเขามันจะถูกเทียนแบบนี้หรือถูกปรมาณร้ายแรงกว่านี้ไม่เฉพาะแต่พ่อเขามันเท่น้นแม้แต่พญาและบุตรก็จะถูกลงโทษอย่างนับเช่นเดียวกันขอให้ทุกคนจำไว้ พอเทากษตรพื้นเราพอเท่าก็ัตริย์ถ้าท่านไม่ยอมเจ็บตัวอีกก็บอกลูกชายของท่านอย่าได้โจมตีเราอีกเข้าใจไหมท่านผู้มีอำนาจอย่าว่าแต่ท่านจะขี้นขบเจ้าให้เจ็บปวดกายเลยแม้แต่ท่านจะฆ่าข้าบเจ้าให้ตายขบเจ้าก็จะไม่ยอมบอกนั้นทิยะให้หยุดต่อสู้ไปนั้นขาดตรงกันข้าม ข้าพเจ้าจะสั่งให้เขาทำการต่อสู้หล้างฝาดเสียนหนามเขมนดินให้หนักมือยิ่งขึ้นท่านคิดว่าข้าพเจ้าจะกลัวแท้ของท่านหรืสิไม่มีวันสักล่ะข้าพเจ้าไม่เคยกลัวเลยแม้แต่น้อยแม้แต่ความตายข้าพเจ้าก็ไม่กลัวนับภาษาอะไรก็แท่หนังแค่นี้เชิญเค้นข้าพเจ้าตามสบายอ๋อดีละดีมันต้องมือฆ่าเองสองเท่ไหม ก็ให้ม hmm! ันรู้ไปสิว่าทนมือขายได้ไหมเรียเียเียาทางมันจะาสลบไปไปนะสลบอก็ไม่ยอมหยุดเพื่อนนยาบเองนะ l e ทำตามสัญญานะถานันทิยะยังโจมตีเราอีกต่อไปแม่เท่าจะถูกลงโทษอย่าลืมท่านทั้งหลายถ้าใครคนใดคนหนึ่งในพวกท่านสามารถจับตัวนันทิยะได้ไม่ไว่าจับเป็นหรือจับตายพระเจ้าอาชาตศัตรูจะทรงประทานราวันเป็นเงินหนึ่งพันกะฮาวันลทันทีและถ้าใครสามารถจับตัวเทอมิตะหัวหน้าใหญ่ได้ไม่ไว่าจับเป็นหรือจับตาย จะได้รับกังวัลสองพันกะรามนะขอให้จำไว้แล้วประกาศต่อๆกันไปด้วย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 เพื่อจะขอน้ำจากเด็กที่เลี้ยงโคนั้นดื่มกินพอนั่งลงเท่านั้นเด็กสามสี่คนก็กรูกันเข้ามาหาท่านมาจากไหนอ่ะท่านมาจากไหนฉันมาจากกรุงราชคฤฒิท่านมีข่าวดีอะไรบ้างไม่มีข่าวดีอะไรมีแต่ข่าวร้ายเอ๊ะข่าวร้ายอะไรอ่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยฉันพักค้างคืนที่หมู่บ้านฟากทุ่งนาข้างโนนในตอนดึกสงัดพวกกองโจรได้บุกเข้าโจมตีค่ายทหาร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 ก็จะเชี่ยนท่านผู้เฒ่าอีกเมื่อนั้นหาลุนพวกกันจะได้เห็นดีกันในป่า น, นี้มีโจนส้มอยู่หรือเปล่ามีแต่ท่านไม่ต้องกลัวพวกโจนไม่ทำไรสมณะแต่เวลาเดินผ่านป่าไปอ่ะท่านควรระวังให้ดีอย่าเดินออกนอกทางเดินไปในขาดประเดี๋จะได้รับอันตรายจากหลุมพลางซึ่งเต็มไปด้วยขวากหนาท่านมีคาอะไรจะไปแจ้งพวกโจนเหรอไม่มีหรอกฉันไม่ได้เป็นพวกโจรหรือพวกใคร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 ก็เบาหน่อยอยสุดกระชาจะยนี้เลยเข้าไปเจ้าเจ็บเก็บแค่นี่ทำร้องฮะเดี๋ยวดิฉันเดี๋ยวก่อนเกิดอะไรขึ้นอุบาศกหญิงทั้งสามคนนี้นํอาอาหารไปส่งกองโจนในป่าโดยเอ า, อาหารมาผูกกระดิท้องเอาผ้าคลุมเสืําทีเป็นว่ากําลังท้องแ ก, ก่ทุกๆเวลาบ่ายจะพากันเข้าป่าทําเป็นว่าไปเก็บปืนเราสังเกตมานานแล้ววันนี้จึงสะกดรอยตามไป เห็นพนัดชัดเจนเลยทีเดียวเห็นอะไรเหรออุบาศกเธอทั้งสามคนนี้ได้นำห่ออาหารออกจากท้องมาซุกไว้ในที่นัดหมายไว้กับพวกตนแล้วเอาใบไม้แห้งห่อผ้ามัดติดกับท้องเอามัดฟืนเทินพิสะเดินกลับบ้านในที่สุดเราก็จับได้ดังที่ท่านเห็นอยู่นี่เธอทั้งสามจะได้รับโทษทันประการใดอุบาศกตามกฎของพวกเรา เธอทั้งสามจะต้องตาย ชาวบ้านล้วนแต่สตรีเด็กคนชราถูกป้อนมาประชุมกันที่ลานกลางบ้านซึ่งเป็นที่ตั้งค่ายของทหารหลวงพหกทหารก่อไฟกองใหญ่ขึ้นที่กลางสนามหญิงข้อลายทั้งสามถูกนําตัวมาผูกมัดไ้กับหลักใกล้ๆกับกองไฟใบหน้าหญิงสาวทั้งสามมนหมองในทหารได้มายืนข้างหน้านักโทษทั้งสามนะหญิงทั้งสามคนนี้จะต้องถูกประหาร เพราะมีความผิดนะที่ได้ส่งเสบียงอาหารให้แก่ผูกโจรผู้เป็นเสียหนางผก็เผ่นเดินเราเพื่อไม่ให้คนอื่นถือเป็นเยี่ยงอย่างต่อไปทหารเตรียมลงมือพวกโจรเผาโจมตีกองทหารทางด้านทิศใต้ หุนัวได้ยุ่งกับเหตุการณ์ร้ายแรงขันก็คงกราบแล้วอาหารต่อสู้ ก, กับพวกโจรอาตมาทราบแต่ทุกอย่างก็เรียบร้อยลงด้วยดีเนี่ยเฮ้ยกว่าจะเรียบร้อยต่างก็ล้มตายไปฝ่ายละหลายคนทหารตายมากหน่อยเอลูกแม่เจ้ากลับมาแล้วเหรอเจ้ากลับมาตั้งแต่เมื่อไรา่ทำํำไมเจ้าไม่กลับไปหาแม่ แม่ดี้ใจแล้วก่อนที่พบเจา้าอะไรกันเนี่ยอยู่ๆยิยงคนนี้ก็โผล่เข้ามาสุดลงแทบเท้ากอดขาวไว้แน่นหน้าตามนมองผมเผ่้รุงรังเสื้อผ้าขาดกระรุ่งกระริ่งรู้ไ อ, อย่าปล่อยให้แม่อยู่คนเดียวมแม่แกแล้วแม่ไม่เบ่ที่พึ่งได้ได้อยู่ในโลก พ่อของเจ้าก็ถึนชีวิตไปนานแล้วกลับไปอยู่บ้านกับแม่เถอะลูกครับเออน่าเบือนายจริงๆอย่าได้ถือสานางเลยท่านผู้เจริญนางเป็นหญิงวิกลจริตนะ่ะวิคลจริตถูกแล้วนางนาเดินทักเตะพนเนตรนไปทั่วหมู่บ้านแล้วก็ตามทุง่งนาป่าไม้ พอเห็นนักบวชรูปใดรูปหนึ่งนางก็จะทึกทักเอาว่าเป็นบุตรของตัวเองเออน้องหญิงขอเชิญเธอกลับไปบ้านก่อนเถอะขณะนี้บุตรกําลังเดินบิณฑบาตอยู่กลางหมู่บ้านขอให้นางกลับไปบ้านก่อนเตรียมที่ทางไว้ให้ดีเมื่อบิณฑบาตเสร็จแล้วบุตรของนางจะไปหาที่บา้านเองจิงนะเสร็จบิณฑบาตแล้ว พ่แม่ที่บ้านนะลูกนะแม่จะกลับไปเตรียมที่ทางและพัดอาหารไว้ให้เราจะได้กินอาหารร่วมกันเป็นครั้งแรกอย่าลืมนะลูกนะแม่ไปละ ที่อาตมาไม่ต้องไปบ้านยิงวิกฤจริตตามที่ท่านพูดไว้หรอกเหรออ๋อไม่ต้องหรอกท่านกมันนะทําไมนะพอจากเราไปแล้วนางก็จะลืมเรื่องนี้ทันิีแล้วก็จะทัดเตยพันในจอนไปตามเรื่องของนางอย่าได้ถือเป็นสําคัญเลยทําไมนางจึงกลายเป็นคนวิกฤจริตและอีกอย่างหนึ่งทําไมนางจึงชอบทึกทักว่าสมณะเป็นบุตรของนางเรื่องมันไม่ใ ท, ท่านกัมนต์นนะ คือว่าก่อนนั้นนางก็มีสติสมบูรณ์เหมือนอย่างกับเราเรานี่แหละนางอาศัยอยู่กับลูกชายคนเดียวในกระท่อมท้ายหมู่บ้านตราบไม่ีของนางนาตายมาไหลไปแล้วก็อาศัยบุตรชายทําไรไถนาหาเลี้ยงชีพต่อมาบ้านเมืองเกิดลุกเข็นบุตรชายของนางได้เข้าไปเป็นพวกโจรในป่าร่วมรบกับพวกกองโจร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 ในการเข้าโจมตีกองทหารหลวงเมื่อไม่นานมานี้ปรากฏว่าบุตรชายคนเดียวของนางได้ถูกอาวุธฆ่ากึกตายนี่กระวังเป็นต้นเหตุให้นางเกิดความเสียใจแล้วก็กลายเป็นคนวุ่นกลนกริตดังที่ท่านเห็นกลางวันนางจะท่องเที่ยวไปอย่างไม่มีจุดหมายพูดคุยคนเดียวหัวเราะตลบร้องไห้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 ทางผ่านหลายหมู่บ้านทุกแห่งที่ผ่านได้ยินแต่ข่าวอันโหดร้ายทารุณของคู่ศึกทั้งสองฝ่ายข่าวกองโจรเข้าตีกองทหารหลวงทหารหลวงเข้าโจมตีกองโจรคนตายและบาดเจ็บเป็นจํานวนมากชาวบ้านที่ให้ความร่วมมือกับโจรถูกทหารหลวงจับทารุณกรรมบ่อยๆแต่มีที่น่าสังเกตอ ย, อยู่อย่างหนึ่งในการรบทั่วทั่วไป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 คนของเราที่ถูกจับไว้เป็นตัวประกันคงยินดียอมตายเพื่อเราและเพื่อมคตทรัตเราจะสู้ต่อไปสู้จนกว่าจะประสบชัยชนะเวลานี้ชัยชนะอยู่แค่เอื้อมแล้วพระเจ้าปเสนทิโกศลยกกองทัพมาถึงเมื่อใดพระเจ้าไอาชาศัตรูผู้เลวสามตำชาจะต้องถึงวาระสุดท้ายเวลานี้ท่านไมเจเทวมิตรอุบาสก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 อาตมาอยากจะพูดอะไรบางอย่างเมื่อสักครู่นี้ท่านประนามพระเจ้าอาชาสตรูเป็นคนชั่วชชาเหลวสามท่านอาศัยเหตุผลอะไรจึงพูดเช่นนั้นทำไมจะไม่ช่วช้าเหลวสามเลวสามยังไงละ่ะเขาฆ่าบิดาได้ลงคอซ้ำยังทรมานมารดาอย่างทารุณโหดร้าอีกด้วย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 ของพวกท่านอีกเป็นจํานวนร้อยหมายความว่าท่านกําลังจะแนะนําให้ข้าพเจ้านะี่ยยอมแพ้ศัตรูเพื่อช่วยชีวิตคนของเราไว้อย่างนั้นเหรออาตมาจะไม่ขอร้องให้ท่านยอมแพ้และจะไม่ขอร้องให้พระเจ้าอาชาติศัตรูยอมแพ้จะไม่มีฝ่ายใดแพ้ฝ่ายใดชนะในการต่อสู้คราวนี้แต่จะขอร้องให้ทั้งสองฝ่ายเลิกรากันไปเอง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 ขุนเจ้ามีกิตราสิงไกสิงมาพบข้าว่าเจ้าถึงในราชนิเวศอาตมภาพชื่อเรวัตะเตระเคยเป็นประธานสงอยู่ที่พระเวลวานารามมาก่อนได้ทราบว่าเวลานี้มหาบาพิษกําลังมีพระราชกรณียกิจยุ่งเหยิงไหนจะต้องจักราชการงานเมืองไหนจะต้องปราบเทียนหนามแผ่นดินไหนจะต้องเตรียมไพ่พลไว้ต่อสู้กับศัตรูอาตมภาพรู้สึกเห็นพระไถย และอยากจะช่วยเหลือมหาพพิษในสิ่งที่พอจะช่วยเหลือได้มีอะไรบ้างที่พระคุณเจ้าเห็นว่าพอจะช่วยเขาไเจ้าได้อาตมาภาพพอจะช่วยได้ในด้านการเจรจาให้พวกกองโจรเลิกสู้รบพระคุณเจ้าเหรอช่วยเลืไอ่นี้ได้ถูกแล้วอาตมาภาพคุ้นเคยกับเทวมิตต์หัวหน้าใหญ่กองโจรเป็นอย่างดีเมื่ออาตมาภาพยังอยู่ที่พระเวฬุวนารามเขาไปสมาทานศีล และฟังทําเป็นประจำอาตมาเชื่อว่าจะเจราจาให้เขาเลิกได้แต่พระคุณเจ้าช่วยเจราจาเขาเลิกครบได้กินก็เป็นประโยชน์แก่แผ่นดินอย่างใหญ่หลวงทีเดียวแต่ข้าพเจ้ายังสงสัยว่าพระคุณเจ้าจะทํายังไงอาตมาภาพ ร, รับรองว่าอตาตมาภาพทําได้ถ้าได้รับความร่วมมือจากมหาบาพิธพระคุณเจ้าจะให้ข้าพเจ้าร่วมมืออะไรบ้างอตาตมาภาพไถ่ขอให้มหาบาพิธ